ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สามบัรนี้การอุปสมบทก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าสังฆกรรมของที่ประชุมได้จบลง วันนี้ก็ได้เป็นพระภิกษุมีพุทธบัญญัติว่าเมื่ออุปสมบทเสร็จให้อุปชารีบบอกอนุศาสตร์ทันทีก่อนที่จะออกจากโรงโมทสดอนุศาสตร์ก็คือคำสอนเบื้องต้นให้รู้ว่าพระจะเป็นอยู่อย่างไร จะดำเนินชีวิตในแง่เขาปัจจัยสี่อย่างไรแล้วก็มีอะไรที่ทําไม่ได้ที่ทําแล้วจะขาดจะความเป็นพระภิกษุต้องรู้ไว้ก่อนอย่างอื่นนะไปเรียนที่หลังได้แต่ว่าสิ่งนี้ต้องให้รู้ไว้เพราะว่าถ้าไปผิดพลาดเขาก็จะไม่รู้ตัวก็หมดความเป็นพระภิกษุและต่อจากนั้นก็จะบอกไตรสิกขาเพราะฉะนั้น ที่จะบอกต่อไปนี้จะบอกสามตอนตอนที่หนึ่งเรียกว่านิสัยสี่เมื่อกี้ได้ยินคําว่านิสยัยมาขอนิสยัยทีแล้วตอนนี้นิสัยอีกแล้วเมื่อกี้นี้เป็นนิสัยอยู่ที่บุคคลคือไปอาศัยพระอุปชาเพื่อให้ท่านช่วยในเรื่องการศึกษาเป็นเครื่องเกื้อหนุนบุคคลมาเกื้อหนุนการศึกษาของท่าน ทีนี้เป็นนิสัยที่เป็นวัตถุก็คือปัจจัยสีปัจจัยสี่นี่สหรับพระภิกษุมีชื่อเรียกพิเศษว่านิสัยก็เป็นนิสัยที่อยู่กับพวกสิ่งของวัตถุที่เราต้องบริโภคก็หมายความว่าชีวิตพระเนี่ยเราอาศัยบุคคลคือประชาจาร์และก็อาศัยวัตถุปัจจัยสเพื่อเป็นเครื่องเกิดหนุนเราในการที่จะศึกษา สิ่งเหล่านี้ให้มองว่าเป็นเครื่องอาศัยเกื้อหนุนเท่านั้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่พุทธศาสนาเนี่ยมองวัตถุว่าเป็นเครื่องเกื้อหนุนไม่ได้เป็นจุดหมายเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อจะได้มีกินบริโภคหาความสุขจากวัตถุแต่เรามีวัตถุเพื่อมันมาเกื้อหนุนเราให้เราสามารถทําความดีได้ฝึกตนเองจเจริญ ง, งอกงามขึ้นให้ชีวิตดีขึ้นในด้านต่างๆที่ว่าไตรสิกขานั้น อันนี้เป็นคติให้รู้ว่าอ๋อมันเป็นที่อาศัยนะเราก็ให้มีจำเป็นแต่ว่าพอสมควรพออยู่ได้นีนิสัยสี่สของพระภิกษุก็คือหนึ่งอาหารก็อาหารบิณฑ บ, บาตสองจีวรผ้านุ่งหม่มก็ใช้ผ้าบางสกุลนี้เป็นพื้นฐานก่อนถ้าไม่มีใครถวายเขาไม่ได้เริ่มใส อย่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกยุคแรกนี่ลำบากมากคือท่านไม่ถือลําลบากแต่มองในสายตาคนทั่วไปลําบากเพราะคนเขายังไม่รู้จักท่านต้องใช้ผ้าบอกสกุลไม่มีใครให้ท่านไม่มีสิทธิ์ขอท่านก็ต้องไปเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะตามป่าช้าเก็บมาให้พอแล้วมาต้มต้มแล้วก็ตัดเย็บย้อมมาทําจีวรใช้นี่เมื่อ มีประชาชนเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็อนุ ญ, ญาตให้รับของถวายได้นั้นพื้นฐานก็ใช้ของบางสกุลที่ว่าคลุกฝุ่นของทิ้งแล้วก็ต่อไปก็เสนาสนะก็ไม่มีใครถวายก็พระก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันดังนั้นก็พระก็ต้องอยู่ตามโคนไม้เพราะนั้นที่อยู่พื้นพื้นฐานของพระก็รุกขมูลคือโคนไม้และเมื่อประชาชนเขาเลื่อมใสเขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าก็อนุญาต คือไม่ให้ขอเขาละอันนี้ก็ชื่อภิกษุอ่ขอแต่ว่าที่จริงท่านไม่ให้ขอหรอกนะเพราะว่าเขาศรัทธาแล้วเขาให้แล้วก็ต่อไปก็ยายาก็ไม่มีใครถวายต้องอาศัยยาดองโดยนามุดเน่าเป็นพื้นฐานแล้วต่อมาก็อนุญาตที่เขาถวายพวกโนยใส่เนยขนน้ำมันน้ำมึงอมอ้อยตลอดจนกระทั่งยาต่าง ๆ, ๆอันนี้ก็เป็นนิสัยสี่ให้พระอาศัยวัตถุ เป็นเครื่องเกินหนูให้เราได้เจริญในายศิกขาเท่านั้นต่อไปก็หมวดที่สองก็เรียกว่อาอัการณียกิจสี่สิ่งที่ทำไม่ได้ขาดใจความเป็นพระภิกษุคือหนึ่งเสพเมตุนสองถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ลักขโมยห้ามาสกขึ้นไปก็ถือก็บาทหนึ่งแล้วก็สามก็ฆ่ามนุษย์แม้แต่ทำแท้งแล้วก็4ก็อวด อุตริมนุสธรรมคือคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวเองใช่ไหมไม่ได้สมาธิก็อดว่า ไ, ได้สมาธิไม่ได้ฌานอดว่าได้ฌานไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นพระสารก็อวดว่าเป็นอย่างนี้ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุสี่อย่างนี้ห้ามอทีนี้ต่อจากนั้นก็เป็นตใจศกขาคือสีสมาธิปัญญาที่อธิบายไปแล้วพอทําความเข้าใจอย่างนี้ต่อไปนี้จะว่าเป็นภาษาบาลีว่าตามธรรมเนียมแต่โดยความเข้าใจกันแล้ว จะว่าเป็นสามตอนอนุญญาสิโคภะคะวะปัมปาเทตวจัตตารนิสเยจัตตาริจักะรินียานิอาจิกิตุงปิณิยาโลปโชนังนิสายปพัชชาตัทธโยยาวชีวังอุสสาโหกรณิโยอติเรกลาโพ สังขพัฏตังอุเทสพัตตังนิมันทนาสลาภพัตตังปักขิกังอุปสถิกังปาติปัติกาังปังสุกูลจีวรานิสายปปัชชะตัตถโยยาวชีวังอุสาหกัลนิโยอติเรกลาโพโคมังกปาสิกังโกไสยยังกัมพลังสานังพังคัง รุกขมูลเสนาสนังนิสัยปัปพัชชาตัทโยยาวชีวังอุตสาหกัรณิโยอติเรกลาโภวิหะรอัตโยโคปาสาโตหัมมิยังกุหาปูติมุตตะเภสัจฉังนิสัยปัปพัชชาตัทธโยาวชีวังอุตสาหกัรณิโย อะติเรกลาโภสปินวณีตังเตลังมถุพานิตังจบหมวดที่หนึ่งนี้ต่อไปหมวดที่สองอรณียกิจสี่อุปสมปัเนนภิกขุนาเมทุโนธรรมโมนปฏิเสวิตาโภอันตมโสติรชานักตายปี โยภิกขุเมตุนังธรรมังปฏิเสวติอัสมโนโหตยอสักยปุตติโยสยทาปินามะปุริโสสิสัจชิโนะภพโพเตนะสรีลพันธเนนชีวิตุงเอวเมวพิกขุเมตุนังธรรมังปฏิเสวิตวาอัมโนโหตยอสกยปุตติโยตังโวยาวชีวังอกขรนียัง อุปสมปเนนภิกขุนาอทิหนังไยสังฆาตังนาทาตพังอันตมโสตินัสลาคังอุปาทายาโยภิกขุปาทังวาปาทารังวาติเรกปาทังวาธิหนังไชยสังฆาตังอาทิยติอัสมโนโหติยสกยปุติโย ไสยธาพินามปันดุปราโซพันธนาปะมุตโตภพโพฮริตตตาญาเอวเมวพิคุปาทังวาปาทารังวาติเรกปาทังวาทินนังทยสังคาตังอาทิตยตวาสมโนโหติยสักยปุติโยตังโวยาวชีวังอกรณียัง อุปสัมปัเนนภิกขุณาสัญจิตจะปาโนชีวิตาณโวโรเปตพโออันตมโสกุลทกิปิลิกัง so อุปาทายะโยภิกขุสัญจิตจะมนุสสวิกหังช ah ีวิตาโอโรเปติอันตมสกขับภะนะัง so อุปาทายะอัสมโนโหติยสกยปุตติโย สยามพินามะพุถุสิลาทวิธาพินาปฏิสันธิกาโหติเอวเมวะพิกขุสัณจิสัจิตจะมนุสสวิขังชีวิตาโวโรเปตวาอัสมโนโหติอสกยปุติโยตังโวยาวชีวังอักรณียัง อุปสัมปัเนนะพิกุณาอุตตริมนุสธรรมโมนอุลปิตาโพอันธมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติโยพิกขุปาปิโชอิชฌาปะโตสันตังภูตังอุตตริมนุสธรรมังอุลปติชาณังวาวิโมขังวาสมาทิงวาสมาปัติงวามัคังวาพลังวา อัศมโนหติยสกยปุตติโยไสยธาปินามตาโลมัทกัดชินโอภพโพปุณวิรุลิยาเอวเมวภิกขุปปิโชอิชาปะกโตสันตังภูตังุตริมนุสธรรมังุลปิตตวาอัศมโนโหติยสกยปุตติโยตังโวยาวชีวังอการนียัง จบหมที่สองนี่ต่อไปหมดที่สนิ่ไตรสิกขาอเนกปริยาเยนโคปนตเตนภควตาชานตาปัสตาราตาสัมมาสัมปุเตนะสีหลังสมมทักษะต่างสมาธิสมมทักษะตปัญญาสมมทักษะตา ยาวเทวตัสสะมัทนะมัทนะสะปิปัสสะวินยัสสะอ a ริยสมุขาตัสสะวัตุปเช a ัสสะตัณหคยัสสะวิราคัสสะนิโรธาสสะนิพพานัสสะสั a ชิกิริยาญาติทัศสีลปริพาวิโตสมาธิมัพพโลติมหานิสังโส สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสมะเทวะสเวหิวิมุตติไสยทิทังกามาสวะพระวาสวะอวิชชาสวะตัดสมาธิเตมตสมิงตถาคตัตเวทิเตธรรมวินัยย สักกัจจังอธิสีแลสิกขาสิกขิตาภาอธิจิตติอธิจิตตสิกขาสิกขิตาภาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตาภาตัทธะอัปมาเทนะสัมปาเทตัพังเอาละคุกเข่ากราบอาละจบแล้วนะก็ตั้งใจนี่ก็ อย่างที่บอกแล้วว่าบวชแล้วก็ตั้งใจให้เวลาที่มาบวชเนี้ยแม่น้อยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าเรียกว่าให้ได้กำไรแล้วก็ให้โยมพ่อแม่พลอยได้บุญมากที่สุดเนี่ยตั้งใจทำให้ดีที่สุดโยมผู้ใหญ่ผู้ญาติญายท่านได้บุญกับเราด้วยก็เลยจะเป็นกำลังใจแต่ตัวทุกท่านเองได้ปฏิบัติให้ดีที่สุด